ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแกพวกเธอทั้งหลาย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 ผมทรา์จากพระโอษฐ์หมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลส 1. ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 2. ผู้เลือกเอาข้างอยู่ป่า 3. ผู้ชนะภัย5้าอย่าง 4. ผู้อยู่ป่าชนะภัย5้าอย่าง 5. ผู้หมดปราคี 6. คนในบัญชี 7. คนไม่แหวกแนว แปดคนไม่ทิ้งทำเก้าคืนวันที่มีแต่ความสว่างสิบผู้ไม่ถูกตรึงสิบเอ็ดผู้รอดจากการศึกสิบสองผู้เปรียบด้วยการไม่ถูกมแมลงวันตอม คุ้มทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสปฏิปักษณัยของหมวดสอันว่าด้วยการทำไปตามอำนาจกิเลสท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่โน้นซึ่งลอยมาโดยกระแสะแม่น้ำคงคาหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลภิกษุทั้งหลาย ถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในกลางน้ำไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอัมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่ผุเสียเองในภายในไซ้ท่อนไม้เช่นที่กล่าวนี้จะลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าลาแม่น้าคงคาโน้มน้มลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเล ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายแม่พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่้ำกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอัมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ํา ว, วนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซส์พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่า สัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อ ม, อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานครั้นสิ่งกระแสรพระดำรัสแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ยกราทุนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นฝั่งในหรือฝั่งนอกอะไรชื่อว่าจมในถ้ำกลางอะไรชื่อว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกอะไรที่ถูกมนุษย์จับไว้อะไรที่ถูกอมนุษย์จับไว้ อะไรชื่อว่าถูกเกลียวน้าวนวนไว้อะไรชื่อว่าเน่าเสียเองในภายในภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าจมเสียในถ้ำกลางเป็นชื่อของนันทิราคะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมิมาณนะความสำคัญว่าเรามีเราเป็น คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ระคัด้วยผู้กระหัดเพลิดเพลินด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันมีสุขเมื่อครหัดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อครหัดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่ครหัดเหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกอมนุษย์จับไว้ได้แก่ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิยายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยศีลนี้หรือด้วยวัดนี้หรือว่าด้วยตบะนี้เราจะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดิ์าใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักด์ดาน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกอมนุษย์จับไว้คำว่าถูกเกลียวนาวนว น, วนไว เป็นชื่อของกรามาคุณหภิกษุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในคืออย่างไรเล่าเพื่อพิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหน่งตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณนะก็ปฏิ ญ, ญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิ ญ, ญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เน่าเสียเองในภายในแลผู้เลือกเอาข้างอยู่ป่า นาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านนั่งเข้าสมาธิแล้วเราเรียกเกิดความคิดขึ้นว่าบัดนี้เลกาวัดคนเฝ้าอารามอาจรบกวนภิกษุรูปนั้นหรือสามเณรจากทําำทอให้เคลื่อนจากสมาธิก็ได้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พอใจการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านของภิกษุรูปนั้นเลยนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้เถือการอยู่ป่าเป็นวัดแม้นั่งโงกงวงอยู่ในป่าเราเรียกเกิดความคิดขึ้นว่าเธอผู้นี้อ่านปัรเทาความโกลงกระวายพราะงวงนอนเสียแล้วจึงทำไว้ในใจซึ่งอรัญญสัญญาความกาหนดหมายว่าป่านั้นแหลให้เป็นอารมณ์อันหนึ่งในบัดนี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแม้นั่งเข้าสมาธิอยู่ในป่าแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิเราเรียกเกิดความคิดขึ้นว่าเธอผู้นี้อาจตั้งจิตที่ยังไม่เป็นสมาธิในเวลานี้ให้เป็นสมาธิได้หรือว่าจากตามรักษาจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วไว้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นนาคิตะ เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้เถิการอยู่ป่าเป็นวัดนั่งเข้าสมาธิอยู่ในป่าเราเรียกเกิดความคิดขึ้นว่าเธอผู้นี้อาจปลืองจิตที่ยังไม่หลุดพ้นในเวลานี้ให้หลุดพ้นได้หรือว่าจากตามรักษาจิตที่หลุดพ้นแล้วดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านได้ปัจใจเคอจีวรบิณธบาศเศนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศัเปรือขารภิกษุนั้นยังมุ่งหวังลาบสักการะมุ่งหวังชื่อเสียงถึงกับยอมสละสถานที่ที่เหลืกเร้นยอมสละเสนาสนะป่าอันเงียบสงัดเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงแล้วสําเร็จการอยู่ในที่นั้นๆเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พอใจการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน ของภิกษุรูปนั้นเลยนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้เถือการอยู่ป่าเป็นวัดได้ปัจจัยเคจีวรบินตบาเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศปริขาภิกษุนั้นไม่นิยมชม ช, มชอบในลาบสักการะและชื่อเสียงเธอไม่ยอมสละสถานที่ที่หลีกเร้นไม่ยอมสละเสนาสนะป่าเงียบสงัดเพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของพิสุรูปนั้นแท้นาคิตะแม้เราเองในเวลาใดเดินทางไกลเมื่อไม่เห็นใครๆข้างหน้าหรือข้างหลังในเวลานั้นเราสบายใจโดยที่สุดได้จะถ่ายอุจระหรือปัสสาวะแล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 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังยาววัยยังรุ่งขนองมีผมยังดำสนิท ต, ตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความเจราครอบงำแล้วจะมานาสิ ก, การถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจคือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้พูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุขดังนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อแรกอันภิกษุผู้มองเห็นควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียงเผากิเลสมีตนทรงไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทาให้แจ้งเสียโดยเร็ว 2. ออีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้เรามีอ า, าพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทําความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงมแล้วจะมานั่ิการถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทําได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอัเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราจะเรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุขดังนี้ภิกษุทั้งหลาย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 ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมานาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะนเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจเพ้อพิกษาหายากนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง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 ก็ไม่ทำได้ง่ายง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจเคอโจรภัยนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสยดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจากอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตภัยข้อที่สี่ อันภิกษุผู้มองเห็นโคนแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนสงไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสด็เร็วหอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสมัคีปรองดองกันไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นภาสุกแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนัสืบ ก, การถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจคือสงแตกกันนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทาความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง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 ผู้อยู่ป่าชนะภัยห้าอย่างภิกสุทั้งหลายภัยในอนาคตเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งพิกสุผู้อยู่ป่ามองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทาไม่แจ้งเสยดยเร็วภัยในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่า หประการคือหนึ่งิกษุผู้อยู่ป่าในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่างูพิษหรือมแมลงป่องหรือตะขาบจะพึงขบกัดเราผู้อยู่ผู้เดียวในป่าการละกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราเราจะเรียบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ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 ภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าเราจะพึงพลาดตกหกล้มบ้างอาหารที่เราบริโภคแล้วจะพึงเกิดเป็นพิษบ้างน้ำดีของเรากำลเริบบ้างเสมหะของเรากำลังเลิบบ้างลมมีพิษดังศาสตราของเรากำลเริบบ้างกาละกริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เรา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 เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว 3. อีกข้อหนึ่งพิสษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยสัตว์ทั้งหลายมีสิงเสือโครง่งเสือเหลืองหมีหรือเสือดาวสัตว์ ร, ร้ายเหล่านั้นจะพึงปลิดชีพเราเสียการลกกิริยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น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 เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสโดยเร็วสอีก ข, ข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจรารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าก็เมื่อเราอยู่ผู้เดียวในป่าจะพึงมาร่วมทางกันด้วยพวกคนร้ายซึ่งทำโจรกรรมมาแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ทำแต่เตรียมการจะไปทาก็ตามพวกคนร้ายเหล่านั้นจะพึงปลิชีพเราเสีย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 มีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็ว 5. อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวในป่าพวกอนมนุษย์ดุร้ายก็มีอยู่ในป่าพวกมันจะพึงปริชีพเราเสียการกระยาของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้น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 มดราคีภิกษุทั้งหลายเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายโลภะอันไม่สม่าเสมอคืออภิชาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้ามองความตีตนเสมอท่าน เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความริษยาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความตระหนีเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความอวตตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความหัวดือเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความบิดพลิ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความโดหมิ่นท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามอง ความมัวเมาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองความประมาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่าเสมอคืออภิชาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วเธอก็ละโลภะอันไม่สม่าเสมอคืออภิชาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าพยาบาทเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละพยาบาท ที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความโกรธที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความผูกโกรธที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้ามอง ดังนี้แล้วก็ละความลบหลู่คุณท่านที่เป็นเครื่องทําจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทําจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความตีตนเสมอท่านที่เป็นเครื่องทําจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความริษยาเป็นเครื่องทําจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความริษยาที่เป็นเครื่องทําจิตให้เศร้าหมองเสีย เธอรู <errado. S 2> ้ชัดว่าความตรนี่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความตรนีที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความมายาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความอวดตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความอวดตนที่เป็นเครื่องทาจิตให้เศร้ามองเสีย เธอรู้ชัดว่าความหัวดื้อเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังน <Ver. S 2> ี้แล้วก็ละความหัวดื้อที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความบิดพลิ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความบิดพลิ้วที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสียเธอรู้ชัดว่าความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วก็ละความมานะที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้ามองเสีย เธอรู้ชัดว่าความดูหมิ่นท่านเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความดูหมิ่นท่านที่เป็นเครื่องทาจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมัวเมาเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมัวเมาที่เป็นเครื่องทาจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความประมาทเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความประมาท ที่เป็ น, นเครือค่องทําจิตให้เศร้ามองเสียภิกษุทั้งหลายในการใดเมื่อภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ําเสมอคืออภิชาเป็นเครื่องทําจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วโลภะอันไม่สม่ําเสมอคืออภิชาที่เป็นเครื่องทําจิตให้เศร้ามองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอันหนึ่งเมื่อเธอรู้ชัดแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าพยาบาทความโกรธความผูกโกรธ ความลบหลูคุณท่านความตีตนเสมอท่านความริษยาความตระหนีความมายาความอวดตนความหัวดื้อความบิดพลิ้วความมานะความดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเครื่องทาจิตให้เศร้ามองดังนี้แล้วพยาบาทละถึงความประมาทที่เป็นเครื่องทาจิตให้เศร้ามองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว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 เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้เตืรนผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการ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 เป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ภิสษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิสษุนั้นสละกิเลสได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งเสียแล้วเธอจึงได้ความรู้แจ้งอัดได้ความรู้แจ้งธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใส ที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ดังนี้แต่นั้นเธอย่อมได้ความปราโมที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีความปราโมทแล้วปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ภิกษุนด้วยความรู้แจ้งอัดด้วยความรู้แจ้งทำว่ากิเลสอันเราสละได้แล้วคายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งเสียแล้วดังนี้เธอย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีความปราโมทแล้วปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติตายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้สวยความสุข เมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคปินทบาทแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดำมีแกงและกลับมากอย่างใจการบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอไม่ทาเธอให้เศร้ามองภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้ามองต้องมลทินแล้ว มาถึงน้ำอันใสสะอาดย่อมเป็นผ้าบริสุทธิ์ขาวสะอาดหรือทองที่มาถึงปากเบ้าก็เป็นทองบริสุทธิ์ผองใสข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคปิฏบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดมีสีดำมีแกงและกลับมากอย่างไช้การบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอ ไม่ทำเธอให้เศร้ามองฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีจิตอันประกอบด้วยเมตตากรโนามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และทิศเบื้องบนเบื้องต่ำและด้านขวางและแผ่ไปยังโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงด้วยจิตที่ประกอบพร้อมด้วยเมตตากรโนามุทิตาอุเบกขาชนิดที่ไพ่บูร์เถึงความเป็นจิตใหญ่ หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่เธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ปราณีตมีอยู่สิ่งที่เป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งสัญญานี้ที่ยิ่ยงขึ้นไปยังมีอยู่ดังนี้เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อยู่จิตก็อย่อมหลุดพ้นไปจากอาสวะเครือกามภพและอวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นได้แล้วดังนี้เธอก็ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบแล้วสนานแล้วด้วยเครื่องอาบเครื่องสนานอันมีในภายในดังนี้แหละ คนในบัญชีภิกษุทั้งหลายก็พิกษุเหล่าใดเป็นคนไม่หลอกลวงไม่พูดพร่ฉลาดไม่เป็นคนกระด้างมีใจเป็นสมาธิดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นคนของเราภิกษุทั้งหลายก็พิกษุเหล่านั้นไม่ได้ออกไปนอกธรรมวิ น, นัยนี้และพวกเธอจักถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้แหล คนไม่แวกงแนวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นที่เชื่อถอของมหาชนทั่วไปเมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้เข้าแล้วจะชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ทำมหาชนให้ได้รับความสุขทำไปเพื่อความเจริญแก่มหาชนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการกระทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือ 1. ทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางกายอันเข้ารูปกับหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดทุกในพระศาสนา 2. ทํทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางวาจาอันเข้ารูปกับหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดทุกในพระศาสนา 3. ทํทำการชักชวนมหาชนในการบำเพ็ญทางจิตอันเข้ารูปกับหลักเกณฑ์แห่งการทาที่สุทุกในศาสนาภิกษุทั้งหลาย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 คนไม่ทิ้งธรรมภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพลียงกันมีความบันเทิงต่อกันละกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันละกันด้วยสายตายแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แข่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสมอย่างเสียแล้วและพากันมาเถอกระทำให้มากในทำสมอย่างทำสมอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสอย่างคือ 1. ความตรึกในทางการ 2. ความตรึกในทางมุ่งร้าย 3. ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลาบากแก่ผู้อื่นทำสมอย่างเหล่านี้แลที่ผู้ภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้ว ก็ทำอีกสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่พวกพิสูจ์เหล่านั้นพากันมาถือกระทําเพิ่มพูนให้มาก3อย่างคือ 1. ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม 2. ความตรึกในการทําความไม่มุ่งร้าย 3. ความตรึกในการไม่ทําคนอื่นให้ลําบากทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกพิสูจเหล่านั้นพากันมาถือกระทําเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลาย ในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาสกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่พาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะปวยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะผู้ภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งทำสามอย่างเหล่านน้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในทำสามอย่างเหล่านี้แทนคืนวันที่มีแต่ความสว่างภิกษุทั้งหลาย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 3. เป็นคนมีศีล 4. เป็นคนปรารบความเพียน 5. เป็นคนมีสติ 6. เป็นคนมีปัญญาภิกษุทั้งหลายคลืนวันของพิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหอย่างเหล่านี้แล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้เลย ไม่ถูกตรึงภิสษุทั้งหลายตะปูตรึงใจห้าตัวเป็นสิ่งที่พิสุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วภิษุรูปนั้นจกถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ภิสษุทั้งหลายตะปูตรึงใจห้าตัวเป็นสิ่งที่ภิสษรละได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ได้สงสัยเคลือบแคลง ย่อมปลงใจเชื่อย่อมเลื่อมใสในพระศาสดาภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทำให้เนืองเนืองเพื่อความเพียรอันติดต่อเนื่องกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคงจิตของผู้ใดย่อมน้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวแรกที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึง่งภิกษุย่อมไม่ได้สงส is, ัยเคลือบแคลงย่อมปรงใจเชื่อย่อมเลื่อมใสในธรรมละถึงนั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่สองที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึง่งภิกษุย่อมไม่ได้สงสัยเคลือบแคลงย่อมปรงใจเชื่อย่อมเลื่อมใสในพระสมนั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่สาม ที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกสุย่อมไม่ได้สงสัยเคลือบแคลงย่อมปรงใจเชื่อย่อมเลื่อมใสในไตรสิกขานั่นแหละเป็นตะปูตรึงใจตัวที่สที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกสุไม่ครุ่นโกรธในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เ้วยกันทั้งหลายไม่ทาความไม่ชอบใจ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 ที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกษุทั้งหลายตะปูตรึงใจห้าตัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วภิกูุรูปนั้นจกถึงความเจริญงอกงามไพ่โบ์ในธรรมวิ น, นัยนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล จากการศึกพิกษุเป็นอย่างนั้นแหละข้อที่ร่างกายเกิดหนักตัวขึ้น ท, ทิทั้งหลายไม่กระจายทาทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งถีนมิทะเข้าจับจิตฝืนใจประพฤติพรหมจรรันทร์มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอาการเหล่านี้ย่อมมีแก่พิกษุผู้มีคุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบชาคริยธรรมเนือง ไม่เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลไม่ขนขวายบำเพ็ญโพธิปักคียธรรมภาวนาตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคจะประกอบชาคิยธรรมเนืองเป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล จากเป็นผู้ขวนขวายบำเพ็ญโพธิปัีฉิธรรมภาวนาตลอดราตรีเป็นเบื้องต้นและราตรีเป็นเบื้องปลายดังนี้ภิกษุเธอพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ภิกษุรูปนั้นน้อมรับเอาโอวาทอันนี้หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทเพียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นในที่สุดก็ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว เปรียบเรียอการไม่ถูกมแมลงวันตอมพิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามถ้าเธอเกิดครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางกามก็ดีเกิดความครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้นก็ตามเกิดความครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางทาผู้อื่นให้ลาบากก็ดีขึ้น ภิกษุนั้นไม่รับเอาความคลุ่นพิษเช่นนั้นนั้นไวและทิ้งเสียถ่ายทอนออกเสียทําให้สิ้นสุดเสียถึงความไม่มีอะไรเหลืออยู่ภิกษุผู้เป็นเช่นนี้แม้เดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเราเรียกว่าผู้ทำความเพียรเผากิเลสผู้กลัวต่อความเป็นธาตุของกิเลสเป็นผู้ปรารบความเพียติดต่อสม่าเสมอ และเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วในการกระทําเช่นนั้นอีสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองห้าได้แล้วและผู้ประกอบพร้อมด้วยองห้าเราเรียกว่า ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นผู้อยู่จบพรมจรรย์เป็นยอดปรุษในธรรมวินัยนี้ภิษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก้ามฉันทะเป็นสิ่งที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละได้แล้วพยาบาทก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วถีนาเทะก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอุทจักกุกกุจัก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ว วิจิก <Hani> ิจฉาก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู <Diese> ้ละองห้าได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองห้าเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองศีลอันเป็นอเสะขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองสมาธิอันเป็นเสศะขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองปัญญาอันเป็นอเสะขะ เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองวิมุตติอันเป็นอเศษขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นอเศษขะภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ห้าได้แล้วและผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าเราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นผู้อยู่จบพรมจันเป็นยอดบุรุษในธรรมวินัยนี้ ชั้นนี้แหละมัอที่สิบสามจบ